ค่างกันไปมัก็ไม่หลับนะะวางเคลนไปมัจตืระหว่างเคลื่อนไปไขใจเคื่นไปมันจะตื่นพอหลับพับมนจะตื่นอันเรายพอลับพัันจะตื่นอันเดียวบางทีจะไม่หลับเป็นอาทิตย์ก็นีนะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าไปตกใจคนนี้เป็นอาทิตย์ไงอย่าไปตกใจนะตกใจไม่ตกใจมแล้วเจ็ดวันที่มาเจ็ดวันครั้งแรกเจวันไม่ได้หลับไม่ไม่ไม่เป็นัรถ้าถ้าถ้าเป็นหลับเขาไม่ได้ปรุงแต่งหลับเพราะมันตื่นเพรารู้สึกไม่ป ถ้าหลัไม่หลับจากการตรุงแต่งมันหมดพลังงานถ้าหลับจากความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไม่หลับจากความรู้สึกตัวมันจะแบบแต่นี่หลับเพราะปุงแต่งเหรอไม่หลับเพราปุงแต่งผู้มีคิดอยากคิดว่ามันหลับเพราะปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านอุดตันเพิ่มไอ้นั่นไอ้นั่นไม่เลยพอเสร็จแล้วแต่ว่าการหลับหรือไม่หลับเนี่ยอย่าอย่าให้มีอะไรต่อใส่ถ้ามันไม่หลับก็เป็นเรื่องของมันไม่หลับ ก็อยากไปฟังมนต์ก่อ่ฉันนอนไม่หลับฉันเป็นยังไงไม่เลยไม่หลับท้องก็หลัแต่ว่าอยากไปคิดว่าตัวเอนไม่หลับเราบอผมใช่ถ้าคิดนอไม่หลับเลยยี่นอนไม่หลับคิดอยู่นั่นแหละคิดแล้วมันก <parallel S 1> ็จะสมองไปเรื่อยมันจะเป็นนอนยังไงแต่ว่าเช้าก็ตื่นได้ทําได้ทุกอย่างมันจะตึะงไปเรื่อยๆตอนที่อยู่ที่วัดนะคะแต่นี้ไปปฏิบัติเนี่ยก็เดินจงกรมทุกวันมันก็เริ่มรู้เองพอเดินไปก็รู้เริ่ม เ ร, ริ่มรู้จุดๆว่าไม่ไ ม, ไม่เพ่งที่เท้าะอืวให้รู้ว่ารเรามาดูดูความคิดเห็นความคิดที่มันมาเรื่อยๆแล้วก็พ อ, อ, อเหตุความคิดมาก็มาเพ่งที่ปลายนะคะมาเพ่งที่เท้า อ, อความคิดมันก็หายไปก็ ป, ป, ปลายปายปลายเยอะเผลอเผลเ พ, เพ่งมากๆมันหลงไปลักคิดลักคิมันจะหลงไปนนะ มันห ล, มนลงมันจะดืด่นจะนี้พอเดินไปมากๆมันนิสัยที่เคยตัวจ้าคุ้งใจมันก็ขอแบ่งทิสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเขาเขียวพิศร้อยเก้าลวมันเหมือนว่ามันมีปัญหาหรือพ่อมันมีปัญหามันอยากจะคิดไง เอาก็แบ่งเพี่ตรงนี้ถึงดื้อเนอันจะเพลงนบพี่ตรงนี้ฉันไม่เพลงเราเป็นฝอยฉันคิดไม่ต้องแบ่งนี้ให้ประสบการณ์มันจะคิดก็ให้มันคิดลงมาไม่ต้องกําหนดให้มันคิดตรงนั้น้วมันรู้ตรงนี้ไม่ต้องนะมันจะคิดแล้ลู้ทนทีมันจะมันจะดีต่อเมื่อมันคิดแล้วรู้ทันัน รู้ทันความคิดรู้ทันแล้วเขรู้ทันแล้วมันจะหยดเขาจะคิดเอาคิดความคิดมันหยุดามาลู้กําหนดลู่ต่อไปเอาเดียวมันก็ลงไปหลงไปก็กับมานี่ม่ทําอย่างนี้ท่านเองมันอยากจะคิดมันอยากจะคิดก็ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องอะไรคิดได้คิดเรื่องเก่าเต่ว่าต้องตองยงินสรางจังวะต้องคิดเองไม่ได้นะต้องคิดก็ลําดับลํานําไม่เล็กได้น้อย การคิดก็ใค้ความคิดแต่มันจะคิดหรเอาไปมามันก็ไม่มีเรื่องคิดแบบก็จะตั้งใจคิดจริงๆแต่โดยคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันเอาดีแล้วกันตั้งใจจริงๆมันไม่ค่าดคิดเหมือนหลวกพ่อสมัยก่อนตอมนี้ปัจจุบโอ้ปัจจุบันไปมันในความคิดตามพอจะประกาจะไม่เขียนเขียนไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแต่ถ้าเป็นคิดอยู่้อันนี้ก็ไม่เครมีใครพูดพูดอย่างนี้ทำไม่เครมีใครพูด มัาจะเขียนไว้ประมาณจักรยานเข็นเขียนสองาตไปไม่ได้ท่านนี้พอพยายามชักปฏิบัติามาก น, นี่ไม่ได้อยู่เลยเดินจงกลมทุกวันไม่ได้อยอมันชักมึนมันมองไม่เห็นตเดือนตุลามามองมองไม่เห็นแลว่าไอ้กายกับติตมันไม่แย่แล้วมันมึน แต่มันก็ไม่คลิกเนี่ยแต่ว่ามันมุนมุนมันหาหาหลักเกาะไม่ได้อือนั่นัหมันมันเข้าไประโยชนก็บารวาอันใดอคาว่าติโลนะนั่นนันไม่ได้เป็นะไรมันจะเห็นมันแต่มุนก็เห็นมันไม่ไม่ใช่หาทางฟองรูสุดตัวแต่ไม่ได้กมันเหนยวกอย่างจะไปจะไปทาจนเพ่งจนดาวรูอันนั้นอันนั้น หาละเรื่องที่จะออกหายเรื่อนตายมันเลยแล้วเร่อยๆมันก็เหมือนไม่เป็นไรทำใจสบาบๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆอ อ, อ, อยากเปลูกผู้หาคําตอบ <c oughs> อยากปลูกพูหาคําตอบจะหาคําตอบคําตอบที่เกิดจากหาความคิดตอบจากความคิดไม่ได้แนะ่นอนบางคนหาคําตอบจากความคิดมันจะเหมือนเลยคือางหลวงพ่อ ตัวโยมก็คิดว่าถ้าเราฝุดแล้วเนี่ยตอนที่ตอนที่ตัวเองมีอะไรที่ทกระทบใจมากๆมาที่นี่แล้วก็อาจารย์สรงศิล์ท่านสอนแล้วเราก็ดีใจว่าเนี่ยเราได้หลักแล้วเอาไปปฏิบัติดีใจแล้วที่ได้รับเมื่อก่อนมันวนอยู่ความขี้ว น, นอยู่ในอ่างปลามันหาทางออกไม่ได้เรคิดอยู่อย่างนั้นอยากคิดเป็นเดือนไม่ต้องนอนต้งเดือดพ่อหาทช้าไม่หลับเป็นงา น, านพอพ อ, พอ พอปฏิบัตินี้ก็นอนที่นอนหลับเนี่ยก็คิดอย่างเดียอะไรมาไม่คิดเสร็จแล้วเรายังมีภาระที่ต้องทําเยอะเราก็ทํำอย่างเงี้ยเราก็กะไว้แต่กลางคืนนอนมีอยู่ระยะหนึ่งที่นอนแล้วตื่นขึ้นมาตกใจ <Okay. S 1> หลายคืนติดติดกันแล้วก็มาดูความคิดว่ากลัว ทำไมถึงเกือบเชมถึงตั้งนั่งที่นอนหลับแต่จะต้องขอวาตื่นขึ้นมาตอนตีสามแล้วตกใจทุกวันววที่บ้านที<อ>่บ้านมันจะตกใจอย่างนี้ทุกวันก็บอกว่าเอ๊ก็มานั่งกลัวอะไรจิตนีกลัวอะไรก็หาไม่ออกหาไม่รู้ว่ากลัวรก็เลยไปเดิะก็ไม่เอาจ่าง ก็ไปเดินจงกรงไปถึงเวลาตีห้าก็ไปเดินจนกรมมาเดินเดินเดินเดินเดินมันก็ผุดขึ้นมาเองเรากลัวอะไรมารู้ขึ้นมาเองว่าเรกลัวมารู้ว่าเรากลัวก็ไม่เหอะไรไม่เียือะไรที่กลัวถ้าโดนแล้วไม่เหยือะไรก็ยังกลัวอยู่เนี่ยยังกลัวใจกลัวอะไรหาคาตอบไม่ได้มันเป็นเรองมันมันมันหาคําตอบได้แล้วแต่ว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้ายังไม่ได้ฝึกเนยสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนคนบ้านกลัวแต่พอฝึกแล้วมันไม่กลัวมันก็แต่จะบอกว่ามันไม่กลัวก็ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเรายังกังวลยังกังวลเราเราปฏิบัติเนี่ยก็เฉยเฉยพอคิดขึ้นปุ๊บหยุดคิดหยุดไม่คิดเหมือนก็ หลอกตัวเองปฏิเสธหลอกตัวเพราะว่าไม่คิดเนี่ยไม่ได้ไม่คิดพอเรารู้รู้ความคิดปุ๊บเราเรารู้ความคิดนี่คือความผิดของเราแต่เราไม่ได้แก้ตรงนี้เราหนีแต่เราหนีเหมืนเราทิ้งพอเรารู้ปุ๊บเราทิ้งเราก็จิดเราก็แต่ไม่ไม่กลัวแต่จริงๆแล้วเราหลอกตัวเองเพราะปัญหาตรงนี้เราไม่ได้แก้ปัญหาความกลัวแก้แก้อะไรถ้ารู้แล้วปถูก็แก้ได้ไม่แก้อะไร มันเป็นเรื่องแก้แนอนาคตที่ต้องใช้ความรู้แก่บองทีบางทีเนี่ยเขาก็ติดรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันก็หลุดแล้มันก็พ้นไปแล้วรู้สึกเฉยๆมาเท่าไรก็รู้สึกเท่าถ้าเป็นถ้าเป็นความกลัวที่มันเกิดจากกลัวสังขารการเปลนแปถ้าเป็นการเนงานที่ข้ามตา ก, ก, ก็ต้องทําต้องทํำต้องทำไม่ใช่ว่ามาแค่ด้วยการสั้นไปหมด เรายังไม่ปวดว่าเราไม่แรงกันมาสร้างกันหมดนะยิ่งม่แรงกันหมงอย่างเงินที่เป็นรูปกบะทำต้องทํำมนโลกในข้าวไม่ถึงเวลาที่ทํายังไม่ถึงเลาเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตกลัวตะก่อนเราก็กลัวมันสก่อนแต่เคยิดอะไรถึงอนาคตมันทํามันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่อง ความเป็นตอนตายของชีวิตแต่เราก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติกัวมันจะกลัววันแรกที่รู้ไปถึงตรงนั้นนะ่ะ แ, แต่นั่นแต่นี่เราก็พยายามให้ตัวเองสนุกให้จิตสนุกโดยทำกรรมฐานเดินจงกรมแต่ว่าใจก็คิดว่ามันหลอกเราเหลอกเราเหลอกตัวเอง เราบอกเขามาบอกอะไรเรามีความรู้สึกตัวค่ะเรามีความรู้สึกตัวเพือไม่ไม่หยุดตรงนี้เขาคิดว่าเขาทิ้งตรงนั้นแต่ทําไมวันหลังก็ยังคิดตรงนี้กลัวตรงนี้หีกใช่ออมันก็เป็นอย่างนั้นมาเท่าไหร่ทำไมี่ที่เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงๆตอนปฏิบัติที่นี่เสร็จกลับบ้านไปลูกหายไปสี่วันวันที่หนึ่งเราก็ดูแล เราก็ไปนู่นไปนี่อยู่ก็กลับมาแล้วถ้าเป็นวันแรกก็แหกปากร้องไห้จะกว่วันแรกแต่นี่ก็สงบอืเดินจงกรมหรือเขาก็กลับมาหรือหาว่าติดเต่าเขายังไงวันที่หนึ่งก็ได้ไม่กลัววันที่สองก็มันไม่กลับมาอีกก็กลัวแต่ว่าคทาจิตให้สมุบได้ก็เดินจงกรมมันตัดความทุกวันที่สาม ชักคอนแขนันที่สีแหบปากเวแล้วูไม่ก็หลดเลยหลุดหมดเยะไอ้ที่ทามันทาไม่ได้แล้วบโอนไม่ใช่นะแม้แการที่มันหลุดออกไปมันทุบมันฮัออกมากับการที่สงบเอะไรมันจะสึ้นวนเถ้ารเราอสัมผัสาที่เราอยู่ในความเย็นไห้เหลไม่พอมันจะกลับมันไม่กลับมาที่นี้เหงที่เราแ ถ้ามันมีมันต้องกลับนี่มันกลับมาเราก็เป็นาขณะที่มันไม่กลับเราก็มเป็นมาแล้วให้มันสมัสมอไไปโฮไปโส่วนต่อยตัวหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่แข็งมันก็ไม่ใข่จริงๆพ่ยนี้เรต้องฝึกนะฮะมันเปการต้องฝึกช่อ้ต้องฝึกิเอาจะเป็นยังไงก็มาจะเเราจะอยู่ตรงนี้ อะไรจะเกิดก็เกิดอยู่ตรงนี้ไม่เกิดต่ตรงนั้นไม่่ดฝึกไปเถอะนะแต่ว่าอย่าไปอย่าไปถอว่ายากก่อนยากง่ายก่อนใช่เราไปตั้งความคิดไอนใช่ไหมหลวงพ่อตั้งไ้เหมือนอย่างเรานอนไม่เรานอนไม่หลับกคืนนี้ฉันนอนไม่หลับคืนนี้ฉันนอนไม่หลับคิดไปนอนไม่หลับกคิดไปกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่เป็นไรนอนไม่หลับไม่เป็นไร โรคนี้จากบ้านเป็นไรกันหรืโลกมากมป็นไรสภหพจิตใจต้องน่งตรงสมาเนเพราะว่าที่ไม่หวันหยย่นไหวนี่เรียกว่าสมาธิทําจิตทาจิตมันจะมามันไม่ได้มาแล้วจะไปคิดถ้ามันมาต่อบแคมันไม่ได้มาเขาก็ไม่รู้อย่างแคตัวอย่างนะลุงพ่อญาติลุงพ่อน่อของลูกสาวอยู่กรุงเทพเป็นอาจารย์ทำ ง, งานกระทรวงเกษตร เขาก็ค okay. ิดห่วงก็ชวนสามีของเขาสามีเขานอนก็หลับเลยแต่พ่อพ่อพอนอนทำไมมันหลับเลยไม่คิดของโลกของต้าเลยฉันนอนไม่หลับฉันคิดห่วงพาฉันไปนะคะฉันไปหาโลกก็พาไปพอพาไปไปถึงกรุงเทพเนี่ยสองสามทุ่มว่าโลกก็ปิดบ้านแล้ว ก็เข้าประตูนอานี่แหละนอนให้ลงก่อนคุณตีสองลูกสาวกลับมาตีสองเพรถามทำอะไรพี่นางมึงไปไหนมาฉันไปเต้นไงโอ้ศ uh, าสตรคิดถึงจะไปอะไรนว่า <c oughs> ลูกว่าไปเต้นมาโอ้โหโอ้ศาสคิดหมองไปนล้ ว, วเข้าใจผิดไปแล้วทีเราคิด ไปอย่างนี้แต่ว่าเรื่องไม่มีอะไรเกิดขึ้นรูดเก้าเขาก็โตแล้วเขาก็ไปเขาก็รู้จักเขาก็เอาตัวรอดได้แม่จะเขาอาตัวรกันม่ไ้วก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวเราเขาก็เราก็ไม่ใช่อไปคิดอะไรกันเรว่าเป็นก่อนเป็นคิดของคิดนันก็ไม่ใช่สำนักต้องต้องสดตัใสนะอะไรก็จะเป็นตัวอะไ ถ้าเราอยู่ตรงนี้ปัจจุบันมันดีปัจจุบันวันนี้อนาคมันก็ดีที่ที่บอกว่าฝึกแล้วมันจะรู้เองมันจะรู้เองมันรู้ทางทางไในใช่ไมไม่ได้รู้ทางโลกใช่ไหมโลกเราต้องไปเรียนรู้รู้เขาด่าเราเขาดุเขาผิดคอนโดมันจะตายคอนโดมันจะเก็บให้ได้โปรคอนโดเราเกี่ยวข้องกัทุกอย่างเป็นไปรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าใจของเรามันไม่เป็นอะไรแบบอะไร ส่วนนี่ที่มันสําคัญไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วโลกจะต้องเชื่อฟังเราไม่เสมอไปแต่ว่าเรานี่แน่นอนที่สุแน่นอนที่สุดปีนสอดบไม่ใช่ว่าโอ้อฉันทําดีแล้วทําไมมันไม่ได้ดีอะไรที่มันได้ดีมันน่าจะได้เงี้ยไม่ได้ได้อย่าไปคิดอย่างนงี้ยเราทําปัะกอเป็นเรื่องของลูกจะไม่เชื่อฟังลูกจะเชื่อไดก็ตามเเรื่องของเขาเราก็ไม่ไม่ได้ ก็ไดยกังวดแล้วก็สอนเขาอยู่ดีๆแล้วก็เป็นทุกข์ก็แก้ก่โดยสติโดยปัญญาใช่สติปัญญามาแล้วก็ถามดีๆมาจากไหโลกไม่ใช่ถูกแล้วไม่ใช่หน้าบทชหน้าเบื่ใส่เขาโ ก, กรธเวรโกรร้าปตัวเราไม่เป็นไรเพราะนั่นตัวที่แน่นอนที่สุดคืตัวเราเป็นปัจจดตังตัวเราเองส่วนเรื่องอื่นก็ยังเหมือนเดิมมันแหละ โลมันเจเลยกเลยมันเดงโลมันจะดีก็มันมันจะดีกับมันเองนะแต่เรานีแน่นอนเลยเปลี่ยนได้เยอะเยอะเลยเปลี่ยนได้เลยยมยังเปลี่ยนไม่ได้นความกลัวว่าไม่กลัวแต่ว่ามันตวยขอให้หยประเมินอยทิ้งหยัดประเมินยประเมินหยประเมินปอะไร่หน้าแต่พึงนวณแต่ไ็ได้เลยเลยฉันไม่มีอะไรเลี่ยน <ว>กลัวนี่ให้มันกลัวมันจะกลัวมันจะไม่กลัวเพราะกลัวเล้วพ่อขอโทษนรา้ลวงพอจะเพิเ่ความกลัวหลวงพ่อปวดหม่เรียกหัวเทียนก็เขาเอาข้าวคัมภีเขามาฝังฝังไกลหมู่นนะตอนที่เขาจะฝังมันมันไม่ไมหมสี่เขาคอยจะรก้รื่อแขนเท่านี้อนะสี่สี่แผ่นนดจคมั ทำเลือย่างดีเลยนะว่าทำหีบศพตำรวจก็ไปขอลงเลืออ่าไม้นี่มาทำหีบศพเป็นว่าศพนี่ไม่มีอะเป็นนักเลงฆ่าทิ้งตำรวจเลยไปขอไมากงเลือดสี่แผ่ใหทําทีางคคิดอย่ากได้นะก็จะไม่ควอยู่ชาตไม่ไทยนะเ็ตันเอ้สี่แผ่นนี้ก็มากาดสติหุังงานหลังดีเลยคือว่าเลยไปขอตอนที่เขาจะเอาลงหล ล้วก็ขอเรื่องเา่เาได้แต่วาแก่แก่แก่เขาพอจะช่วยแกก็ช่วยเขาแกแก่สบกบเทยสอบมีคนน่านะคนตายตั้งสองสวันเหม็นเนี่แล้วก็เราก็เอากระดาเนี่ยแช่น้าเป็นเดือนนะตะมนชน้าเป็นเดือนแหละันซึมเข้านม แค่น e. ่าเป็นเดล้วก so um, ็เอามาแปบชื่อแปลงมาขัดซอสาดแดดไปอีกเป็นเดือนเอามาปูนอนมาปูนอนพอรีื oh, so ้รู้ผลมาเนี่ยมันเชื่อนใช่ไหมสติก็ตำดำมันเชื่นกันอนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นเคิดเห็นกลิ่นเหม็นเวลาเราคิดเห็นศกที่เราอาศคยจะเป็น ก็คิดเรีนจบแล้วก็มันก็นอนเวามันเห็นก็คิดถกพตอนนอนเห็คิดถึงศพอนนีผหลับหลับไปกับความคิดกระเทนนั่นก็ฝันต่นวนใหม่ยังไม่รู้อะไรเลยนะฝันว่าศพนั่นเหมือนกับที่เราค่อเห็นจริงๆม้าเหือนม้าตาเหลือขล้มไปตา เหม็นพ่อหลวงพ่อฝันไปเห็นสดพอ็เหม็นกันดียวกเหม็นไม่เหม็นในใ้ศบกันรี๊งมาหลวงพ่อโดยหลวงพ่อก็คือาถาดีบริกรรมขาถาสบต้องแบบี๊งออปพอหยุดบริกรรมขาถาศ้อแบี๊งเข้ามาสู้กันอยู่นี่นะในในฝันนะหลวงพ่อเป็นหมอคาถาพ่อดีตื่นขึ้นมาแบบตื่นขึ้นมาก็พ่อยังหนึ่งลุกขึ้นมาลงมาเอา ข่านติด <Hani> อ, อ่ะทันงเรื่องอหไรมันเรื่องอะไรมาคิดว่าโอ้เราขอนอนคิดเรื่องนี้ก็มความ็นะก็ก็เกิดนี้ไม่เหนื่อยไม่ใช่อดียวแ้าเรือมนท้งหมอยมสร้างกันแยมสร้างกัแบบพระเหนึ่งควมเมตต์หายไปเลยเลยไม่กลัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพราะว่ากลัวอะไรทกอย่างความกลัวสร้างให้หลวงพ่อไม่กลัว ถ้าขนาดนั่นถ้ามันเหม็นเนี่ยถ้าไม่ดูดดูโอ้ผีหลอกอาจจะกระโดดกระติ๊งยิ่งเลยก็อาจจะกลัวว่าขนาดนนอาัก็ค ว, วามาสร้างจังหวะความรู้สึกตัวสร้างความคือ <c ười> ให้ให้สิ่งที่มาเาราก็เจอเนี่ยมาเป็นกรรมฐานเราแล้วเราจะไปคิดว่าผีหลอกใช่ไหมค่ะ <c oughs> มั่นไม่ใช่เพราะตัวเองคิดไปต่างหากก <c oughs> ารตกแต่งตัวเม่อกาต่งตัวเองคิดไปต่างหากแล้วก็เกิดได้ม็ดเป็นเหม็นที่ยิงเข้ามา เออนี่หลวงพ่อมาลูกแล้วนะท้องคนไม่มีเสถยรแต่กลัวนึกว่าตีวันหละงี แ, แก่ผีตายหงุดหงิก็กต่หลวงพ่อก็ไม่ไปแต่งวงของศพแต่นี่ยขนาดเข้านั่นเขากระดานเสียแต่เกิกศูของคุไม่กลัวเลยความกลัวแท่กทำให้เกิมันาีเครียดก็ทำให้ทําใก้นเดียว อะไรที่มันข้างคาใจเราหวัหงเตยมันมันปลูกความใจกันอย่าไปอย่าไปอะไรก็ใช่ความคิดใช่สมองลูกไป ม, มาบ้านก็ใช่สมองลูกมาบ้านก็ใช่สมองให้สมองมันเปลี่ยนดีเปลี่ยนร้าต้องมีสตนะิสมองไม่ใช่ไม่ได้เหตุผลใช่ไม่ได้นะลูกมา <c oughs> แต่ยังค่อยจะ น, นอนหลับลูกไม่มานอนไม่หลับหรอกนอนไม่อะไรคนคิดใช่ไหม <c oughs> ใช่แต่จริงๆมันไม่เป็นไรมั้ง <c oughs> นั่นไม่เป็นอานั้ น, อนไอ้นั่นเหตุผลเนี่ยเหตุผลมันไม่เป็นธรรมบางทีอาจจะโกรธจัดเพื่องกับทะเลาะกับลูกทเลาะกับครอบครัวได้ต่ก็มีเหตุไม่ผล เ, เอาทําไม่เป็นหรอกมันไม่มาก็จะทำอะไพาไม่มา้นมันก็ใจหายกับธรรมว่อมันมาก็ไม่เป็นมาแล้วม่เปต้องทำตัวนี้นะ จะไปอาเรื่นมากำหนดใจต้องการความรู้สึกตัวเออตรมรู้สึกตัวหรนี่เราไปเอากรรมอันอื่นสิงอื่นมากำหนดขิดใจกราใช่ไหมในโลกนี่ไหนเพราะถ้าเรามาทำตัวหนึ้งเนเรื่องตัวตรงความรู้สึกตัวมันเป็นหลักของเราการสร้างตัวนี้อย่าหลุดตปแม่หลุดก็กลับมาหลุดเพื่อ ก, กลับมาตึงเพื่อจะหย่อนหย่อนก็จะตึง อไอ้ชายย่อนเลยย่อนไปว่ากงก็ะดับแล้วตึงใช่ไหมเนี่ยคิดไปด้วยมันไปอะไรนอไอ้ชายไปหาเพื่อนเขาลองโทรไปดูซิกย่อนพื่อจะตึงใช่ไหมหย่อนอนะลออเลลูกชายที่เอามาลูกชายที่โยมามาเ น, นี่นี่ยเนี่จะเนี่ยลูกชายเลยเนี่ยอ่าลูกชายโ้อรับอ่รเขาเคยเป็นเดกน่ารักมาก เขามีแผลในใจที่แม่ไม่รู้ฮะแม่ไม่รู้พ่อตีพ่อตีด <spotlight> ้วยเหล็กตีด้วยลายแล้วก็ไม่ชอบพ่อเลยเขาเกลียดพ่อมากๆเออไม่เป็นไรทีนี้เขาก็เป็นปวดบวดแล้วเกลียดวัดไปเลยหลวงพ่อเกลียดวัดไปเลยเกลียดวัดนี่ยอมมานี่พอหนังสือตาวิเศษหลวงพ่อนะหนูให้หนังสือไปแล้วเขาไปขีดข้างหลัง บอกเนี่ยลุงพ่อพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยไปอ่านดูแลจะมาไม่มาตัดสินใจเองอืเขายอมมาเขาเขาเรียนอยู่จุลานะลุงพเรียนเรียนอยู่ตรงนั้นเดิมก็เรียนหรือเรียนก็เรียนพู้ธศาสตรอยู่จุลาความความที่เขาเกลียดพ่อมาเขาหนีเรียนปีสามเขาหนีเรียนแล้วก็บอกว่าไม่จบเลยไม่จบเขาเขาทิ้งเลย ก็มาเรียนลาแม่ก็บังคับให้เรียนเขาก็แม่ไม่ได้อยากจะบังคับก็พูดเกี้ยกล่อมเขาเขาบอกก็เหมือนบังคับแหละคือคอยอี้เขาตัดสินใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วว่าเขาต้องหนีพ่อให้ได้วิการที่ให้เขาไปเรียนเทคโนโลยีอาหารเนี่ยก็ไปเข้ากับอาชีพของพ่อต้องกลับไปช่วยพ่อทํางานก็เลยทิืงทิ้งไม่เรียนไม่เอา เขาจุดอย่างเดียวคือต้องการหนีพ่อเกียดพ่อเกียดมากมากคนในโมีบางคนมีค ม, ม่ ม, ม, ม, ว ม, วมาวาแล้วก็หลายคนตุ้มเลยนะเกลียดเกลียดแม่นะ <decide S 2> ่ยฮะเกลียดแม่มากมาและคนตุ้มคนตุ้มเห็นแล้วไม่เห็นไม่ใช่คนตุ้มไม่ใช่คนตุ้มเนะอ๋ออีกค น, นคนหนึ่งคนตุ<อ>้มค<อ>ิดเล่าคิดเล่าียดซะเกลียดแม่อก็อีกคนหนึ่งก็ทำหมดเนี่ย พมดเนี่ยก็พ่อแม่ทิ้งเฉลยเลยเฉลย เ, เป็นปมด้อยอเปนเรื่องอะไรนี้นะเ okay, นะอาเถอะน่าป ฏ, ฏิบัต<ย>ทําจะมีเรื่องอะไรมันจะกืนดีทางนะั้นนะโยมก็พยายามจะแก้เขาไม่อยากให้เขาเป็นวิบากการรมติดไปอยากให้เขาอาภัยพ่ออยากให้เขาดีกับพ่อแต่เขาก็ เกียจแขนพูดไม่ได้พูดจริงอะไรก็เกียจแขนแต่รู้ว่าลึกๆเขาล้างพ่อแหละเราะก็ยังพูดแบบว่าทําไมพ่อเขาไม่เป็นอย่างพ่อคนอื่นรู้ว่าเขารักงพ่อนะแต่ว่าความความกลัวเขาอะเเลยกลายเ็ไม่ได้เกียดพ่อเนี่ยไม่ได้เกียดแต่พอลูกชายทั้งลูกสาวลูกชายเกียดพ่อทั้งคู่เขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่ามันไม่ก็เหมือนกันเลยเกียดพ่อพ่อเป็นแบบ แล้วพ่อเขาเห็นเกตตพ่อเห็นเกตตัวพ่อทร้ายครอบครัวพ่อยกสมบัติให้ให้งบ้านหมดเลยที่ทามาเยอะแยะๆก็ขนสมบัติให้ทังทางบ้านก็ไม่ให้โลกเลยไม่ใหโลกไม่ให้นดาอไตางไม่ให้เลยทาร้ายครอบครัวงมากเลนีเยอะแยะคนืนันจะไปโกรธอไโกรธเาหลวงพ่อสุดโทชนา ธรมิตโธนโตธนตนาปัญจตาปัตาเป็นเป็นโลกของพระเจ้าเสียนุใช่ไหะพระเจ้าจินติสาลงงกพระเจ้าเสียนุให้พระเจ้าเสียนุเนี่ยให้เสีเก่าที่ได้คือโทธนตโนธนตโาธรรมิตาปัญจตาให้พ่อกับแม่เนี่ยตายไปแต่เสียนก็ได้พรัามาได้ลูกเป็นลูก คนรักลูกรักลูกคนนี้มากี่นี่พระม่เสียใหม่เลยว่าพระเจ้าเสนาโรักลูกคนนี้มากที่เกิดสัมพันธ์ะยะใหม่ก็เลยอระแม่เสียใหม่เลยขอโอกาสช่วยโอกาสว่าพระพระพี่เจ้าหน่ยรักคนนี้ลูกคนนี้มากรักมากแล้ขอสมบัติทั้งหมดให้ลูกคนนี้ได้ไหมพระเจ้าเสนาโรยกสมบัติให้ลูกคนนี้ให้ลูกคนเดียว สุตัวธนโกฏโตธนาเมืองโตธนาเหลไม่ได้เลยไม่ได้กเลยพ่อก็พูดเอาความจริงไงมันได้พูดไปแล้วกต่สับได้พูดอะไรก็มันต uh, ้องเป็นไปได้หลั่นข้าวาจาไปแล้วพอให้ลูกพากันจะหาขึ้นมาสุดตัวธนาโกโตธนาเมืองโตธนาเหล่าหนีจากขัายกรไปไปลอดแรกมาลอนรามมามาถึง กบินระพัดนี่นะครัที่อยู่ของกบินระดับผมมาตั้งเมืองนอะไม่ไม่เป็นไรเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นไรอยา่าไปเสียใจแต่ใจนโลกนะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเสียใจจนจนเกื <laughs> อบบ้าเลยสียใจโยมเสียใ <laughs> จยจนเกือบบ้านก <laughs> <laughs> ็บอกธรรมาไม่อะไรพื้นศักด์พักดีแล้วเขายังทรอยต์เฮ้ยโอ้ยเยอแค่ไหน ถ้าเราชนย่างนี้ได้เราจะเป็นบาลเมฆภาษาอะไรบอกแล้วต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เขามามาปฏิบัติธรรมได้าอย่าไปเครียดแค่นอย่าไปทําไมทําไมทําไมถ้าทําไมทําไมอยู่อย่างนั้นแมะมันจะลงโทษตัวเราทําไมทําไมทัไมถึงจะลงโทษทําทำไมถ้าว่าทําไมเราจะเป็นโจทย์ข้องตัวเราจะเป็นจำเลยเสมอเป็นผาด พูดกับเขาหลวงพ่อหรวอว่าพูดกับเขาหรืง พ, พ, พ่ออยู่พูดกับจำผู้หญิงที่พักดีซื่อสัตย์จอมรับพักดีทำมากินอย่างนี้ทำไมถึงรังแกยากคนเนี่ยมีมีเถ่อนเขาจาจะเรียกว่า บ, บันติดคนทานมีในเท่าเม่แต่เป็น พี่น้องกันก็นสามีภรรยากันพ่อกับลูกกันนี่ต้องต่องไปนะแต่เราไม่ใช่ความผิดของเราใช่ไหมของของเราไม่มีหรอกให้เราภูมิใจกับเราเนี่ยอยากให้เราภูมิจสอนลูกเถอะนะสอนลูกเถอะให้เขาได้มีความเข้มแข็งนั่นเป็นมาแต่พรนี้ก็ดีแล้วพรา ไม่เคยได้รับบาลลักกพ่อจากแม่เลยก <c oughs> ็ยังอยู่อยู่นี้ได้แต่หลงว่าที่สุดจนที่สุดได <c oughs> ้โรลกไม่ได้อะไรนะไม่ได้คนจหงพ่อไม่จนอริยทรไม่ได้พระาลหุนะพระจึงพาพระามหุม า, าขอสมบัติพะพาก็อบอกว่านันไม่ใช่สมบัติบอกให้พ่า าบทคนผมรไม่ใ่นี่ไม่สมบัติอนผมเราฝุ่ในบทเลยนะไม่ใช่สมบัติไอ้สมบัติที่ทำไว้ไม่ใช่สมวัติสมังว่างาษาาิงดูชัดชัไม่ก่บอกสารดีบทสารดีบทคนผมให้หนี่คืจังหดก็พยายามอยู่ค่ะเล้วกพอดีเขายอมมาด้วย บบอีกแล้อ่านหนังสือของหลวงพ่อเวลาทานข้าวจะทานด้วยกันแล้วขีดเส้นถ้าให้เขาทั้งเล่นเขาไม่เอาเขาไม่อ่านแน่นอนขีดเส้นต้องทำเนี่ยก็จะสอนช่วยเขาช่วยเขาแม่ต้องช่วยเขาหน่อยก็บอกทําแม่ให้เก่งแล้วจะแล้วก็ช่วยลูกได้อเขาเขีดแค้งมากหลวงพ่อเขาไม่เรียกพ่อแต่ละเขาเข<ร>าทำไปต่อไปหน่อยเขารู้เองนะแลวงพนั่มากมากหรือว่าไม่อภัย าเาไมด้เขาจะทำงานยังค น, งค น, คนต้มต้มเ ท, ท่เล่าเขากินเล่าคนไหนเขากเครียดแค้นแม่มากเนเล่าพอดีเขามาทิ้งเล่าเขาพข้ามาอยู่กับน้องเขาเลิกเปนเล่าเขาก็เสียใจที่คิดอะไรไม่ดีต่อแม่มากมากเป็นเวลาสามสีม่ปีเล <4 S 2> เขาก็เลยว่าเขาเป็นบาปเขาเิดอะไรก็ไมเรื่องกันเนี่ยก็เลยเขาก็คิดเรื่องบาปกันที่ทําไมเรื่องแต่ก่อนก็คิดเรื่องชั่วไนันก็คิดเรื่องบาปเขาคิดเรื่องกันเน่เขาก็เลยเลิกิล้าเป็นต้มเลยเลิกกนล้ากดีข้นม่ดีขนนเขก็ดีข้นประมาณห้าปเป็นคนกรุงเทพนะมาอยู่กับรออดให้อยู่สาลาชันบน ขี้เยี่ยวลงมาใส่หมาล่อบมาไม่โล่อนล่อห่อก็ต้องเช็ขี้ให้ขี้ขี้วันซาลาชันบันไหบอกพ้าไปเรียนไปเช็ดให้พระไม่ทราบพ่อจะผมพ่อไม่กลัวอะไรขี้แต่เนี่ยพ่อมาก็เช็ดหน้าเช็ดหลังไปดูพ่อเช็ดหน้าแล้วเสร็จพ่อจะพ่อจะเช็ดสัต หลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาจะเป็นบาปหลวงพ่รู้ว่าเขาไม่รู้หลวงพ่้ให้ให้ให้อโหสิให้เขาแต่ก็จะเรียกว่ากลัเมียขี้หนึ่งไม่จริงอโหสิใเขาตลเราเขาไม่รู้คนไม่รู้เราต้องช่วยเขาอย่างลูกชายเนี่ยโยมจะต้องช่วยยังไงก็เนี่ยก็ต้อง ให้หนักแม่โทษเป็นแม่นะแต่แต่วันแบบแม่จะงมีหรอกพ่อให้พ่อเจ้าก็เป็นนะแต่แม่ยังมีลูกก็มีหรอกเราช่วยกันพวกเราแต่ตัวเด็ต้องเชี่ยวฟังกันกนะพวกเรานะแม่จะงมีอู่แม่ยังเป็นแม่ของลูกเวาต้องเชื่ยกันแต่ลูกต้องเชี่ยวฟังใอเราตอนนี้เอาเถอพ่อของเจ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยกันก็ว่าแม่ เขาเขาเป็นคนเก็บตัวตลอดเขิเบตัวมากแล้วก็าเบอกหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าเขาอยู่เอแบบว่าเคยอยู่อย่างนี้ไหมก็บอกเขาอยู่คนเดียวตลอดเขาเก็บตัวแล้วแล้วเขาคิดอะไรเราเขาไม่ยอมพูดให้ใครฟังเขาจะไม่พูดให้ใครฟังเขาจะเก็บตัวแล้วก็จะสร้างกำแพงก็บอกเนี่ย จุลาเดี๋ยวนี้เธอก็ไม่เดินผ่านจุลานั่งรถก็ไม่ยอมผ่านต้องรีเลี่ยงไปเพราะเธอสร้างกำแพงจิตเธอแล้วก้ารเป็นหทที่ยากดี่ะโอ้คนก็จะต้องเพิ่มพลังบุก็เป็นอไรอย่างไรแสดงทั้งังพวกอย่าไปเพิ่มตกกังวลเลยนะว่าเด็กพ่อแม่ก็ทุกข์เขายิงทุกข์จิตค่ะเขาทุกข์มากตอนแรกแม่ไม่ทุกข์นะตอนเห็นช่วงที่แม่ทุกข์เนี่ย เขาเป็นคนมาดูแลแม่แต่ตอนที่พอแม่แข็งแรงนะ้าเขาก็เาเขาก็แยเขาเขาแย่อย่าไป ฮะคำตอบจะไปอะไรได้รนะเขาวิตกกังวลลูกด้วยแหละเออฮะมันหลายเรื่องพอพบกันรับไม่หวาไม่ไหวแต่ละเรื่องโอ้ทุกคนในโลกนี่ไม่เคษจะทษโยมหรอกทุกคนในโลกนี่พระพุทธเจ้าหนี้มาโปรดหนึ่งซิเราหมเกิดได้เจ็ดวันพินพาก็ยังอ่อนอยู่ไม่มีใครดูแลขอร้องเถอะพระพี่เจ้าอย่าเงไปเถอะให้ ห้นองฉันแดงหน่อยไปแล้วก็ต้องคิดใช่ไหมเห็นพายล่างหุ่นขนาดสามเดือนโดพักสิ่งแสดงการที่เจ้าจากกะกพัฒน์โอ้ยเย้เย้ไปหมดเลยไม่มีใครที่จะจาบมาหมดหรม่เคยที่อย่างเขาไมีด้เดินตกปกต้องลล่างมาสนามแวกมาได้จิตปวดตชนกันไหมก็โยมนี่พยายามสุดให้เขารู้ว่าตัวเองเนี่ยไปได้เมื่อตัวเองจิตปกติ คิดว่าตัวเองเนี่ยพาชีวิตของลูกอีก2คนไปยากแต่เนื่องจากโยมอ่อนแอจริงๆมันเลยวิ่งมาหามนุษย์เพื่อมนุษย์ช่วยทีไม่ได้เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเพราะก็โยมครบคนถูกแล้วดีมากเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันยีกว่าปีไม่ได้เจอใจนานพอทุกถึงบอกโยมฉันไม่ไหวแล้วจะช่วยฉันที่ ดีนี่ยดีมากนยเออมนรนว่าอ่าหลวงพ่อขอเป็นเพื่อนคนหน่อยนะ <c oughs> ถ้ามีทุกข์มาเลยที่นี่นะอย่ามาพูดให้หลวงพ่ อ, อความสเพื่อนทุกทุ ก, ทกไงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เกินพ่อทหลวงพ่อไม่ทุกแค่ไนหนหะล <c oughs> วงพ่อมันทุกแบบสาหสฉันขันนี่ยไม่เคยกินข้ากเลยทุกซะหรอครับมันทุกข์เรื่องนี้มันทุกแฝงธรรมดา เราไม่ได้ผิดน่ะมันทโทษคนอื่นไปเถอะคนอื่นไม่รู้ต้องทำใจเราให้เต็ม่องทเราเนี่ยกำลังทำใจเออเนี่ยพยายามที่สุดเลยดีดีดีเพื่อจะเราไม่บกคล้องความทุกข์ประเภพณีไม่ใช่เราบกค้องถ้าเราบกค้องอ่ะมันมันมันทุกทุกทุกที่สุดทุกคนอื่นทําให้เราทำไม่ได้ไม่ได้เสียง ท่นให้แก่เลยห่ายทีก <c oughs> แก้ไขถ้าเราได้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปปิดศิลเด็ดําเอออันนี้นี่โอ้ย <c oughs> สหัส <c oughs> นี่ละหคขนุกกําลังอันทุกแบบนี้มันเป็นละหุ ก, กำเบาๆ <c oughs> บางๆก็คิดว่าถ้าเดินอย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยๆอย่มันจะหลุดไหมเนี่ยหลุดสึดตัวไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่าไปหาคําตอบ <c oughs> อย่าไปประเมิน มันมึนก็เห็นมันมึนความมึนไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปไฝ่ฟ้าหามันไม่ต้องต่นไม่หากติดมาแต่กรุงเทพเลยคเขียนเาไว้วันนี้เดินเป็นยังไงมาถึงไปก็มึนจะเดินเจอนี่ไปนี่ต้องคิดเดินจอมันต้องเพ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่เดินไปเจอๆไปร่รู้ตัวอย่างีย ไม่ค <icana> ิดก็มันคิดคิดกลรมันไม่คิดกรู้ลยไม่คิดก็รคิดแต่คิดบางทีบางทีพอจะทำอะไรตรงไปกำหนดจุดโทดอกม่หมดจนจะเริ่มทกันมองตทษเ่องมองโทษเกไม่เป็นไรใช่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อจะไปกำหนดอะไร่งเวลาอิสอสระ แต่ทุกทีเดินเคยตัวเวลาเดินนะจะรู้ล่อมพลรนล้อมัจะตังมือเนจอดตงมือทดินจอดตังมือกำหนึ่งตลอดใ่กำหนดมันในนไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอืมแล้วก็เคยลองจอดเดินจากสลาไก่คยวัดโคกชลพอได้ล่อพอได้ล่อเก้าประคา่หนึงไว้พอได้สอง่หันี่ที่สองพอได้สม่อหันี่ที่สามสี่ล่อห้าล่อได้ทำเก้า ส่อมาการต้นใหม่ตนใหม่้าพันสามรอยถ้าเขาจะทำนั่นก็ได้แต่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ปล่อยให้ว่างๆไปหนึ่งเท่าไหร่ก็เท่านั้นสลากกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าอ่าขอนันนะขไปประเมินยาไปเออดีดีดีดีมากดีมากอ่ ดูไมได้หลักหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามนเป็นที่ทุกอย่างดีทุกหรือไม่เอทุกหรือไม่เอจะมาเอาอะไรมีทุกกะไม่ทุกเท่านั้นเองดังนั้นหนูก็ตามสบายเลยหลวงพ่อมีทุกกะไม่ไม่ทุกเท่านั้นเองถ้าเป็นเหตุและผลเกินนั่นนะใช่ลูกจะมามันก็เทษน่าเลยลูกละมาอย่าให้มันเกิดนั่นบางีเราคิดเกินส่วนเกินเกันส่วนเกินเนี่ยมันมัน แต่ติทธ <|so|> ิใยนักวางแผนดีนะมี่้องเป็นนักวางแผนทบอุตาหกรรมทบของส่งนอก